เมื่อเกิดสนิมแล้วต้องขัดใหม่หมดทั้งโลกทั้งข้างนอกข้างในแล้วระ บ, บุด้วยไฟอีกถึงห้าไฟตามพระวินยัยจึงจะใช้ได้ต่อไปซึ่งเป็นความลำบากมากมายท่านจึงรักสงวนบาทมากกว่าบริขารอื่นๆไม่ยอมปล่อยมือให้แคร ง, ง, งา่ายๆเคยมีผู้ไปขอรับบาต ท, ท่านเวลาขากรับจากบิณฑบาตเมื่อท่านไม่แน่ใจกับผู้มาขอรับบาตว่าเคยปฏิบัติถบาตมาแล้วอย่างไรหรือไม่ท่านมักจะพูดอุบายต่างๆ อันเป็นลักษณะห้ามโดยประยายไม่ยอมมอบบาดให้อย่างง่ายดายจนกว่าได้สอนวิธีวางบาทวิธีล้างบาทวิธีเช็ดบาทและวิธีรักษาบาทจนผู้นั้นเป็นที่พาใจดีแล้วท่านถึงจะมอบบาทให้นี่เป็นธรรมเนียมรักษาบาทของพระกรรมฐานสายท่านอาจารย์มั่นที่เคยปฏิบัติกันมาแต่โลกมีอนิจจังเป็นทางเดินจึงไม่อาจทราบได้ในสมัยนี้ว่าพระธรรมวินยัย อาจจะถูกเปลี่ยนแปลงให้เป็นอนันจังนไปโดยประการใดหรือไม่เท่าที่สังเกตข้อพอทำให้หน้าวิจกได้อยู่บ้างแล้วเนื่องจากสิ่งแวดล้อกมกำลังคืบคลานเข้ามาในวงปฏิบททัติทีละเล็กละน้อยและค่อยๆเจริญขึ้นเรื่อยๆจวนจะเข้าขัน้นจะอพยพสาหรับท่านที่เป็นสุปฏิบัติมีใจหนักแน่นในธรรมเพราะอจนทนอยู่ไม่ได้เนื่องจากความสแสลงแทงตาสะดุดใจที่จะทนอยู่ได้ อากัปกิริยาของผู้ปฏิบัติกําลังเริ่มไหวตัวไปตามสิ่งดังกล่าวอันเป็นการแสดงบอกลักษณะความสนใจถ้าตื่นเต้นที่กลนทั้งท่านและเราชนิดที่อาจเดาวไม่ผิดถ้าม่ยอมสํานึกและขยับตัวเข้าใกล้ชิดต่อหลักเดิมคือพระธรรมวินัยและทุโลงควะทั้งหลายอันเป็นเหมือนเกราะหลบภยัยอย่างที่ครูอาจารย์ท่านพาดดำเนินมาก็น่ากลัวจกักกลายเป็นพระทุโลงกรรมฐานประเภทจรวดดาวเทียม ชนิดมองไม่ทันไปได้ในไม่ช้าเพราะความรวดเร็วเกินสมัยที่ท่านพาดำเนินมานั่นเองการกล่าวทางนี้ไม่ได้ตั้งใจจากสนิทที่เตียนท่านที่ปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบแต่อย่างใดแต่กล่าวด้วยความที่น่าวิตกกับพระมวนัยและทุเร ว, วัตรที่ผู้ปฏิบัติเราซึ่งชอบความเปลี่ยนแปลงเอาตามใจชอบจะจุดลากลงมาสู่ตลาดแห่งความสะดวกของตนเพราะสมัยนี้การเรียนรัดกัน พระธุดงเราก็อาจต้องการความรวดเร็วทันใจและอาจเรียนและปฏิบัติแบบรัดกลุ่มยิ่งกว่าสอสดาและครูอาจารย์ที่พาดาเนิมนมาก็ได้ซึ่งการรัดกุ่มแบบนี้น่าจะเป็นแบบพลางมือคอยเปิดแต่สุดท้ายก็หมดหวังนันงซึมจึงขอฝากทมนี้ไว้กับพระธุดงเราทุกท่านได้ช่วยกันพิจารณาสิ่งตามใจทั้งหลายที่กาลังคืบคลานเข้ามาแอบซ่อนอตามมุมวัดมุมคุดีชายสบงจีวอ และการแสดงออกจะได้ถอยตัวห่างออกไปเมื่อมีโอกาสมาส่องสมกําลังทําลายวงคณะกรรมฐานเราให้ขีภายไปอย่างรวดเร็วกว่าเวลาที่ควรจะเป็นอย่างไรก็ตามนักปฏิบัติเราถ้าเพลินมองข้างนอกยิ่งกว่ามองข้างในคือตัวเองเทียบกับหลักธรรมนี่ไหนแล้วต้องจัดว่าเป็นความเผลอตัวเพื่อเปิดทางให้เราร้ายทั้งหลายคื่อคลานเข้ามาตั้งวัดใหม่ที่รกรงรั ง, งขึ้นแทนวัดเก่า ตั้งเราตัวลืดด้านขึ้นแทนราตัวเดิมที่เคยมีธรรมในใจให้จมมิดชนิดมองไม่เห็นของเดิมแน่นอนคําว่าธรรมกลายเป็นโลกคนฉลาดกลายเป็นคนเขา่าวคนมีสติกลายเป็นคนเมาคนที่เคยเป็นเจ้านายของตัวแต่กลายมาเป็นบอยด้วยสารคุณ น, นั้นก็กลายไปจากบุคคลคนเดียวกันนั่นแลเพราะความรู้สึกคิดนึกพาให้กลาย กายวาจาที่เคยเป็นเครื่องมือทําดีก็กลายเป็นเครื่องมือสังหารตนให้สิผายวายปวงไปสิน้นไม่มีส่วนใดจะขืนตั้งตัวดีเด่นคงเส้นคงวายอยู่ได้ทะลงใจได้เปลี่ยนสภาพความคิดเห็นเป็นอื่นแล้วท่านนักปฏิบัติจึงควรเตรียมพร้อมเพื่อรับมรดก อ, อันนิยม่มไว้อย่างเต็มภูมิแห่งความสามารถขาดดิ่นในการปฏิบัติแม้สิ้นชีพก็อย่าให้สิ้นโรยลายที่เคยเป็นลูกนักรบถึงจะจบชีวิตลงในนาทีนั้น เาการสู่รบกับกิเลสนาณาชนิดด้วยข้อปฏิบัติอันทรหดอดทนก็ขอให้สิ้นไปในถ้ำกลางแนวรบสร้างศพที่ตายในสงครามแห่งกิเลสแทนที่จะเป็นของปฏิปุณห์น่ากเกลียดน่ากลัวแต่จะกลายเป็นสร้างศพที่หอมหวนทนลมตลบอบอวนไปทุก ท, ทิศทุกทางทั้งเบื้องบนเบนืบ้องลา่างและเป็นศูนย์กลางแห่งความเด่นดูดจิตใจของมนุษย์มนาเทวดาอินทรหมทั้งหลายให้มีความกระยิบยิ้มย่งยองต้องใจ อยากมาพบมาเห็นและกราบไหว้จักกรบูชาเป็นขวัญตาขวัญใจส ล, ลึกไว้ไม่ลืมเลือนเหมือนองค์พระาศาสดาและพระสาวทั้งหลายตลอดครูอาจารย์ท่านนิพานซึ่งเป็นสกีพยายนแห่งความทรงจําของพวกเรามาแล้วอย่างประจับใจพระอาทิพระอังคารเท่าฐานของท่านไม่มีผู้ใดรังเกียจเตียดฉันและครัวกันมีแต่ความมุ่งหวังอย่างแรงกล้าด้วยกําลังศรัทธาต่างประสงค์พระอาทิท่านมาไว้สักการบูชา เป็นขวัญใจไว้ระลึกทุกเชา้าค่ำวันคืนยืนเดินนั่งนอนเพื่อความสวัสดีมงคลแก่ตนในสถานที่บ้านเรือนและเพื่อความแ้วคาดปลอดพยันตรายทั้งหลายจะได้ไม่มาถูกต้องสัมผัสชีวิตร่างกายซึ่งเป็นสมบัติที่รักสงวนอย่างยิ่งในโลกทั้งสามชีวิตอัตภาพของท่านนักปฏิบัติจึงเคาะ จึงขอวิงวอนให้เป็นไปด้วยความแกล้กลหาญสามารถในการห้าหันฟันฟาอุปสรรคนานาประการที่เกเรชันดานก่อกำแพงกั้นไว้อย่างหนาแน่นมั่นคงจนทะลุไปได้ดังท่านผู้เป็นาศาสดาและอาจารย์พาดําเนินและได้ชชนะมาสู่โลกตนก็หลุดพ้นศาสนาก็พลอยเด่นโลกก็พลอยเฟื่องฟูเพราะคนที่ดีมีใจเป็นธรรมซึ่งรอกราบไหว้บูชายังมีอยู่มากและคอยเดียว คอยเกาะท่านผู้พาดำเนินด้วยความอาถารและถูกต้องมันยำในการเป็นผู้นำด้วยความราบระเริ่นชื่นใจโลกยังหิวโหยต่อความดีและคนดีอยู่มากจนไม่อาจประมาณนับได้แม้ตนไม่สามารถตัดแปลงแต่งกายแต่งใจให้ดีเป็นที่พึงพอใจได้แต่ก็อยากเห็นท่านนักปฏิบัติที่น่าเรื่อมใสหน้าเข้าใกล้ชิดสนิทธรรมอยากครอบเพื่อมใสและกราบไหว้เทิดทูนเป็นขวัญใจไม่มีวันอิ่มพอ โลกแม้จะพากันอยู่กับความกุลาหนโอลมานอันเป็นความวุ่นวายอบายมุก ข, ของมนุษย์มานานจนแทบหมดหวังในการแสวงหาทางออกก็จริงแต่หัวใจยังมีความหวังยังสืบต่อเมื่อเห็นสิ่งที่น่าเกาะก็อยากเกาะเห็นสิ่งที่น่ายึดก็อยากยึดเห็นสิ่งที่น่าพึ่งพิงก็อยากพึ่งพิงไม่มีความเบื่อหน่ายอิ่มพอเพราะความรู้สึกต่อความสุขของโลกเป็นอันเดียวกันการปฏิบัติเพื่อหัวใจตนด้วยสุขปฏิบัตินั่นแล คือเพื่อหัวใจของโลกด้วยในอันดับต่อไปข้อนี้พระพุทธองค์ทรงดำเนินมาแล้วสมัยที่ทรงทรมานพระองค์มิได้ทรงคิดทรงวิตกกังวลในพระไทยว่าจะเพื่อผู้ใดในประชาญาที่เปรบกับรวมพระไทยก็ทรงทําความพยายามปล่อยวางทั้งสิ้นเวลานั้นทรงทุ่มเทความภาคเพียรเพื่อพระองค์ผู้เดียวเมื่อสมพระไทยไร้กังวลหม่นมองทุกอย่างแล้วจึงทรงหวนระลึกความหลังที่เคยทําความปรารถนาไว้ พระทรงทำหน้าที่ของศาสดาเพื่อประกาศธรรมสอนโลกแม้ระสาผู้ทั้งหลายก็ดำเนินองค์ตามแนวทางของศาสดาคือสนใจสั่งสอนตนก่อนอื่นจนสำเร็จไปไดีดีแล้วค่อยสั่งสอนมุงชนจึงเป็นผู้ตามเสด็จด้วยความคล่คล้าดปลอดภัยท่านผู้ใดดำเนินตามเยี่ยงอย่างของพระองค์และสาวกท่านผู้นั้นจะเป็นองค์แทนทำมรดกที่ประธานไว้แน่นอนไม่สงสัย ท่านนักปฏิบัติจึงควรภูมิใจในแนวทางอันเป็นสุขสตินี้เมื่อกล่าวมาถึงความเปลี่ยนแปลงของการปฏิบัติซึ่งชักจะออกนอกรูนอกทางที่ท่านพาดําเนินมาทําให้ระลึกได้ในโอวาทอันเกี่ยวกับความเผ็ดร้อนที่ออกมาจากความเฉลินใจท่านพระอาจารย์มั่นข่าวที่พักอยวัดหน้องถงสกพนครคือเย็นวันหนึ่งหลังจากปัดกวาดลานวัดและส่งน้ำเสร็จแล้วมีพระทยอยกันขึ้นไปกรีฑาท่านหลายองค์ ท่านเองนก็ได้ปรารบทำหน้าแง่ต่างๆให้ฟังวันนั้นท่านปราลบถึงท่านอาจารย์เสาวที่เป็นอาจารย์ให้พวกเราฟังอย่าถึงใจว่าท่านอาจารย์เสาวเป็นอาจารย์ที่มีเมตตามหานยมเป็นหลักใจเกโลโอกมากผิดอาจารย์ทั้งหลายอยู่มากเป็นผู้เด่นในวงคณะใครเข้าไปใกล้ชิดเป็นต้องเสนอไ ร, รเริ่มสายในองค์ท่านทันทีแต่การให้อว่าสั่งสอนประชาชนพระเนนั้นท่านไม่ค่อยสั่งสอนพิสดารกว้างขวางเหมือนผู้อื่น พูดเพียงประโยคสองประโยคเท่านั้นก็หยุดแล้วนั่งตัวตรงและเฉยอยู่รอกับพระพุทธรูปไม่มีการไหวทิ้งอวัยวะส่วนใดเลยแต่คนติดใจในอวานและองค์ท่านชนิดฟังและห็นแล้วไม่จืดจางกลับมาแล้วยังอยากยังคิดอยากเห็นอยากฟังท่านไม่มีวันอิ่มพอเคยใครก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่ารักเนื่อมใส่ท่านมากแต่น่าเสียดายบรรดาพระเนรที่เป็นลูกศิษย์ท่านมักไม่เข้มแข็ง และมีหลักเกณฑ์ทางภายในภายนอกสมกับได้อาจารย์ดีวิเศษเป็นผู้อบรมทางนี้คงเป็นเพราะความลืมตัวนอนใจและหญิงใ้ตัวมากกว่าทั้งที่ไม่มีอะไรที่ควรหญิงและภูมิใจเมื่อเห็นท่านใจดีมีเมียตาไม่ค่อยดุดาจำ้ำที่จำ้ำชายเหมือนอาจารย์ทั้งหลายแม้ผิดพลาดคลาดเคลื่อนต่อหน้าซึ่งควรจะดุดาว่ากล่าวบ้างพอผู้ผิดได้มีสติระวังตัวต่วตอไปไม่ลืมตนก้นด้านจนชินชา และเป็นคนใจด้านชันดานจมพอท่านอาจารย์มั่นหยุดการให้อว่าโชว ค, คราวเห็นในโอกาสพระองค์หนึ่นก็เรียนถามขึ้นอย่างเรือๆชนิดไม่มีความแยกภายอะไรเลยคล้ายนิสัยของผู้เขียนที่มีติดสันดานมาจนบัดนี้ว่าท่านอาจารย์สาวท่านสิ่งกิเลอสอสวะแล้วดังคำเล่าเลยจริงไหมครับผมองค์ท่านเองซึ่งสนใจพยายามอบรมสั่งสอนพระเนนให้ฉลาดแล้มคมอยู่แล้ว พอได้ยินคำถามชนิตไม่น่าจะมีใครฝ้าหารแบบนั้นถามขึ้นท่านเองก็ยิ้มนิดและหยุดไปชั่วคราวแล้วมองไปยังพระองค์เสื่อที่น่าสงสารซึ่งมีเจตนาบริสุทธิ์นั้นด้วยอาการยิ้มแฝงพฤวยความเห็นใจและสงสารเธอที่เสื่อและงงเขลาเกินกว่าจะต้องมีตโทวใดๆแล้วพูดเป็นเชิงอนุโลมในลักษณะงงๆไปด้วยเพื่อต้อนรับความโง่ความเสื่อของเธอองค์นั้น เช่เดียวกับมาอาชาในปฏิบัติตัวต่อเลยงแก่ผู้เลี้ยงดูตนฉะนั้นว่าท่านสิ้นสุดริมุติพานไปนานแล้วตั้งแต่ท่านเองยังไม่เกิดโน่นท่านยังจะหลงบ้าสงสัยมาถามอะไรอยู่อีกการปฏิบัติใดถามอะไรก็ไม่มีวานแยกคายบ้างเลยสักนิดพอเป็นเครื่องหมายของคนมีสติปัญญาเพื่อแก้กิเลสความโง่กล้าวคนตบ้านฉะนั้นจิตใจจึงสนุกนอนจมอยู่กับความโง่ตลอดเวลา การภาวนาก็มีแต่ความ โ, โง่เขาโง่ห้วงนั่งทับอยู่บนทีศักดิ์ไม่มีเวลาสานจะงโง่หน้าจะงโง่หลังเรากับเป็นชงโง่ดูคนคนโง่หรือฉลาดเสียงแสดงอาการออกมาก็พอสทราบได้เฉพาะท่านรู้สึกจะโง่เอาเสียจนหน้าดูเรศทําจะไม่เอาแทรกโป่งส่นโปร่งใจได้ในเวลาฟังการอบรมผู้ให้การอบรมเองก็คงจะระอาเช่นกันถ้าเป็นนิสัยปัญญาอยู่บ้าง นอกจากจะเป็นอาจารย์ด้การเสกสารตัวเอาเองต้บวบทนานนั่นอาจไม่มีทางทราบได้กระทั่งตัวเองเป็นอย่างไรบ้างจากนั้นท่านก็อบรมสั่งสอนต่อไปด้วยความเอ็นดูสงสารพระองค์นั้นราวกับการเรียนถามแบบงงๆนั้นแฝงอยู่ด้วยอวายความฉลาดอาราธนาท่านให้แสดงธรรมให้ฟังฉะนั้นแต่ความแห่งธรรมที่แสดงในขณะนั้นแทนที่จะเป็นธรรมเผ็จร้อนดังที่เคยเป็นมาแต่กลับเป็นธรรมที่เต็มไปด้วยเมตตา แสดงด้วยความอ่อนหวานอ่อนโยนซาบซึ่งจับใจยอย่างบอกให้ถูกเหมือนพ่อแม่อบรมเด็กเล็กด้วยความรักสงสารจนทําให้เด็กเห็นโทษใจอ่อนน้าตาไหลคลอไปได้เนื้อทําที่แสดงนั้นผู้เขียนจําได้เพียงเล็กน้อยจึงขอเอาไปจึงขออภัยหากผิดพลาดพระเจ้ามูหานเดียวผาให้เป็นมีใจความว่าหมู่คณะก็นับว่าโง่าขาวขึ้นทุกวันแทนที่จะฉลาดตาอุบายที่อบรมสั่งสอนแต่ผมเองก็นับวันแก่ลงทุกวัน การทำประโยชน์แก่หมุคณะก็นับวันได้ลงทุกวันความเมื่อหิวอ่อนเพลียก็นับวันเพลียลงทุกวันสังขารร่างกายก็นับวันร่วงโรลงทุกวันเพียงดูลมหายใจเตเป็นวันวันเท่านั้นอาหารต่างๆที่เคยมีคุณแก่ร่างกายมาดั้งเดิมธาตมันกลับเห็นเป็นโทษไม่อยากรับอยากฉันและกลับเบื่อหน่ายคลายความยินดีต่อสิ่งเยียวยาทั้งหลายไปทุกวันเวลาวันเวลาของการตายก็คืบคลานเข้ามาทุกที ไม่มีการหยุดพักเพื่อเหตุการณ์ผ่อนคลายแก่ท่าขันบ้างเลยลมหายใจที่เคยสูดเข้าสูดออกสบายโดยอัตโนมัติก็แสดงอาการฝืดเคืองขึ้นมาทุกเวลานาทีเรากลับจะไปจากเราอยู่ทุกขณะที่ได้โอกาสแต่เวลามองดูผลจากการอบรมที่ควรจะเกิดตามเจตนานที่อบรมสั่งสอนหมู่คณะแต่กลับมองเห็นแต่สิ่งที่ไม่เคยคาดหมายบางก็เป็นความขี้เกียจมักง่ายอ่อนแอ บ้างก็เป็นความซึมเศร้าเหงาหงอยไม่ราเริงในความเพียนบ้างก็เป็นความคลื่นข้าจากหลักปศบัติที่พาดําเนินมาบ้างก็เห็นแต่ความโง่เขลาเบาความคิดอันไร้ตรองดังที่ถามเรื่องท่านอาจารย์สาวเมื่อครู่นี้เองซึ่งไม่ใช่ทางเดินของผู้มาอบรมศึกษาหาความพ้นทุกข์ตามทางศาสนาที่พาดําเนินก็เป็นความโง่เขลาอย่างน่าทุเร็เหลือจะทนฝังได้จึงวิตกกังวลกับหมู่คณะอยู่ไม่วาย เวลาผมตายไปจะไม่มีผู้เป็นหลักฐานทางจิตใจและปฏิบัติกาเครื่องดําเนินสืบต่อไปคลัวจะเป็นดังที่กล่ามานั้นจึงขอวิงวอลหมู่คณะที่มาศึกษาอบรมด้วยสะดุดใจในความมาอยู่ร่วมกันซึ่งไม่ใช่เป็นของเที่ยงขาวอลพอจะพากันนอนใจวันเวลาล่วงไปตัวเราแต่ละคนก็มีทางจะล่วงไปเช่นเดียวกันผู้ประมาณก็จะไม่มีของดีใดๆติดตัวไปเวลาที่ผ่านไปนั้นสิ่งที่ต้องติดตัวไป อย่างแยกไม่ออกก็คือความเล้วหลายที่เคยติดอยู่ในนิสัยสำนานเดิมผลแห่งความประมาตก็คือความจนตรอกพ่อโูนทุกข์ไม่มีประมาณอยู่ที่ใดไปที่ใดก็มีแต่มาลคอยรังควานกวนใจให้เกิดความทุกข์เดือดร้อนต่างๆไม่มีสถานที่และเวลาปรลงวางลงได้ทุกการสถานที่ของคนประมาทมีแต่ทุกติดแนบกับตัวยิ่งกว่างเงาเพราะโทษแห่งการตั้งตัวเป็นมารแก่ตัวเองโดยไม่ได้สํานึกว่า ความประมาทเป็นตัวภัยตัวมารคอย ล, าล้างศาลตัวเองส่วนผู้ไม่ประมาทย่อมได้ของดีไปประดับและเชิดชูตนผลคือความสุขการสบายใจไปตลอดการสถานที่ไม่มีภัยมีเวรไม่มีเคราะเข็นเวรภัยคอยเบียดเบียนราวีทุกสิ่งที่เป็นผลก็เป็นมิ่งมงคลแก่ตนโดยตลอดผมพยายามเต็มความสามารถทุกวิถีทางในการให้อุบายสั่งสอนท่านทั้งหลายเพื่อสร้างความเป็นมิแก่ตนด้วยความไม่ประมาทในหน้าที่ของนักบวชและนักปฏิบัติ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 ไม่อยากเห็นไม่อยากได้ยินไม่อยากให้ท่านผู้ใดสนใจไข่ประพฤติเพราะขึ้นชื่อว่าความประมาทแล้วไม่ว่าประมาทในสถานใดย่อมทำคนให้เสียได้ในทุกกรณีจึงเป็นสิ่งไม่ควรสนใจไข่คิดกับความไม่ดีนั้นๆเลยขอนุโทุกท่านจงเห็นใจผู้ให้การอบรมสั่งสอนที่ได้ตั้งหน้าทำหน้าที่อย่างเต็มภูมิด้วยความเป็นใจและเมตตาจงพยายามฝึกทรมานตนด้วยดักธรรมที่คร่ำสอนตลอดมา จะให้เป็นลักษณะของทัพทีหรือช้อนเื่อคนอยู่กับแกงแต่ไม่รู้รสของแกงว่าเป็นอย่างไรบ้างเลยจะให้เป็นแบบลิ้นกับรสอาหารชนิดต่างๆที่สัมผัสกันซึ่งทราบรสของอาหารานำนำทันทีผมประสงค์อยากเห็นอยากทราบใจท่านทั้งหลายกับธรรมประเภทต่างๆที่แสดงให้ฟังเสมอมาว่าเข้าถึงกันมากน้อยไปโดยลำดับที่แสดงทั้งภาคปฏิบัติทั้งความรู้ชนิดต่างๆที่เกิดจากภาคปฏิบัติและความรู้ที่เกิดขึ้นรับกันในขณะฟัง อันเป็นการปฏิบัติภาคพิเศษว่ามีความคุ้นคืนกันไปโดยสม่ำเสมอไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งลดด้อยถอยลงอันเป็นการขาดวักคาตอนจากเหตุซึ่งจะยังผลประเภทนั้ น, น, นให้เกิดขึ้นได้ยากเพราะเหตุคือการทําเกิดอุปสรรคผลจึงพลอยเป็นอุปสรรคไปด้วยเพื่อความระอาตรื่นสม่ำเส ม, สมอแห่งผลที่พึงหวังจึงกรุณาบําเพ็ญเหตุด้วยความสนใจผลไม่เป็นสิ่งพึงมั่คับเหมือนเหตุแต่จะเกิดขึ้นมาเองดังนี้ พอท่านแสดงธรรมเพื่อสงเคราะห์พระที่นาสงสารจบลงตอนนี้ขออภัยเรียนตามเหตุผลหลักธรรมที่ท่านแสดงในขณะนั้นเพื่อเป็นข้อคิดสําหรับชาวพุทธเราหากไม่ น, นําลงก็น่าจะขาดความหนักเบาแห่งธรรมที่ท่านแสดงในเวลานั้นไปซึ่งเป็นเนื้อธรรมที่น่าเสียดายสําหรับท่านผู้หวงเทิดทูนศาสนธรรมและครูบาอาจารย์คือหลังจากท่านแสดงจบลงมีพระอีกองค์หนึ่งกล่าวเลียนเรื่องอาทิท่านอาจารย์สาวว่า มีพระบางพวกที่เป็นลุกศิษย์ท่านเองอยู่จังหวัดนั้นนํอาอธิท่านมาบทให้ละเอียดผสมกับผงชนิดต่างๆที่ถือกันว่าคลังๆแล้วปั้นเป็นองค์พระเล็กๆจําหน่ายกันเป็นจำนวนมากองค์ละราคาแพงๆด้วยมีผู้ชาวไปบูชากันมากโดยไม่สนใจกับราคาข้างวดว่าแพงหรือไม่แพงเลยกระผมเห็นแล้วอดสลดสงเวทใจไม่ได้เพียงเท่านี้เองท่านก็อุทานเส้นทันทีว่าโอ้โห พากันเป็นถึงขนาดท่านทิวรูนี่พระจําพวกทําลายพระาศาสนาทําลายครูอาจารย์พานเป็นหมากัดแทะ ก, กันกระทั่งกระดูกท่านกินยิ่งกว่ามมาเสียอีกนี่คือพวกเส้นคิดและหมดทางหากินจึงพากันกัดแทะกันกระทั่งกระดูกอาจารย์ของตนหมามันยังรู้จักเจ้าของไม่ยอมกัดแทะแต่นี่มันยิ่งกว่าหมาจึงไม่รู้จักเจ้าของกัดแทกกินเรียกไปเลยพวกนี้พวกหมดย่างอายถึงได้กัดแทะกระดูกครูอาจารย์ไปขายกินเฮ้อ ร้มทั้งชีนิ้วสายไปมารอบๆบริเวณที่พระนั่งอยู่ด้วยเสียงเผ็ดร้อนว่าพวกที่มาอยู่กับผมเวลานี้พากันมาอยู่แบบพระหรือมาอยู่แบบหมากันแน่รีบตอบเดี๋ยวนี้ถ้ามาอยู่แบบพระก็สนใจในธรรมและตั้งใจปฏิบัติถ้ามาอยู่แบบหมาดังที่เป็นมาแล้วก็ต้องรอคอยแย่งกระดูกกันไปขัดแทะด้วยการจำหน่ายขายกระดูกผมกินอย่างพวกสินคิดนั้นนั่นคือพวกปฏิบัติแบบหมาไม่ใช่แบบพระ คอยแทะทั้งเป็นแทะทั้งตายไม่มีวันอิ่มพอและอายบาปตั่งเลยพวกจิตใจต่ำทรามคอยทําลายาศาสนาทำลายครูอาจารย์อย่างไม่อายมีใครบ้างที่เก่งๆอยู่ที่นี่ซึ่งคอยจะกับแทะเนื้อหนังและกระดูกผมไปขายในเวลาเป็นแะระดาตายไปรีบบอกมาจะได้เสริมชื่อเสริมนามให้สูงส่งเสียแต่ที่ผมยังไม่ตายว่าคณะพ่อค้าขายกระดูกครูอาจารย์กินพระพวกนี้นอกจากทําแบบหมาคอยแทะกระดูกแล้ว ยังมีกระโลบายขายครูอาจารย์กินได้หลายทางอีกด้วยไปที่ไหนชอบโอดตัวว่าเป็นลูกศิษย์อาจารย์นั้นอาจารย์นี้ซึ่งมีคนเคารพเพื่อมใสามากเพื่อเป็นทางประกาศตัวและประจบหากินพวกนี้คือพวกเชื้อเนื้อเฉินนังแทะกระดูกครูอาจารย์ขายกินชนิดไม่มีวันอิ่มพอกินจนตายขายจนหมดตัวทั้งขายกินอย่างไม่ไอายและขายกินไปตลอดชาติและประกาศโฆษณาขายยิ่งกว่าพ่อค้าเสอีกไปที่ไหนประกาศขายที่นั่น ตาไม่อยู่เป็นสุขเพราะหนอนคือความทะยามอยากข้าบ่อนชัยจนประชาชนพระเนนที่รักศีลรักธรรมรักข้อปฏิบัติเบือ่อเอือมระอาไปตามๆกันไม่อยากเข้าหน้าคบค้าสมาคมแม้เป็นลูกศิษย์อาจารย์เดียวกันแล้วยังมีใครอีก บ, บ้างที่อยู่กับผมเวลานี้ซึ่งกําลังเรียนวิชาหมาแทกกระดูกและปฏิบัติแบบหมาคอยกับแทกกระดูกทั้งเวลาเป็นอยู่และเวลาตายไปของผมท่านพูดย้ําแล้วย้ําด่าจนผู้ฟังตัวชาไปตามๆกัน แม้เช่นนั้นก็ยังมันยุติเอาง่ายยังมีเหน็บหน็ดน้ำแนมเชียดหน้าเฉียดล่างเชียดใกล้เฉีดยดไกลอยู่นั่นเองจนผู้นั่งฟงังตั้งตัวไม่ติดโกรนกระวายอยู่ภายในทั้งร้อนทั้งหนาวทั้งจะปวดหนกักปวดเบาทั้งอยากมุดลงพื้นทั้งจะเป็นลมสลบไปในขณะนั้นเพราะความกลัวและความอับอายชนิดไม่มีที่พลงวางราวกับตัวเองก็เป็นหมาตัวกัดแทะเก่งๆตัวหนึ่งแม้มันจะเป็นดังท่านว่าจากนั้น ท่านกอบัร ญ, ญายเรื่องพระที่มีจิตใจต่ำทรามหมดรักมีแห่งธรรมภายในใจหมดความหวังในธรรมหมดความภาคเพี้ยนทางใจหมดความสนใจฝักใฝ่ในธรรมเปลี่ยนความรู้ความเห็นจากภายในออกสู่ภายนอกเพราะจิตใจกลับกลายคลาดจากธรรมไปสู่โลกโดยสิ้นเชิงแล้วอาศัยโลกาไม่เป็นอารมณ์และเรือนอยู่ของใจเป็นเครื่องประดับเกียรติพูดประจบประแจงวานร้อมด้วยอิบายต่างๆให้ประชาชนที่มีนิสัยเชื่อพระมาแต่บรรพบรุษหลงเชื่อตาม และกว่าต้อนมาเป็นบริษัทบริวารเพื่อประดับเกียรติว่าตัวมีโวหารปฏิพานด์ดีฉลาดแหลมคมเมีอำนา ศ, าศาสนามากมีผู้คนเคารพนับถือมากมีลูกศิษย์บริษัทบริวารมากนับวันลืมตัวและพองตัวโม่สมจนหมดความสมสำนึกโดยสิ้นเชิงวันคืนการเวลาผ่านไปด้วยความขยาวกว่าควรต่างๆไม่มีประมาณโดยการชักชวนผู้นั้นให้ผลิตสิ่งนั้นชักชวนผู้นี้ให้สร้างสิ่งนี้ ว่าดีมีอนิสงฆ์มากทั้งที่ตนกําลังเตรียมโดดลงนรกกลุ้มก่อกวนวุ่นวายอยู่ทุกขณะอยู่แล้วไม่อาจดารงตัวให้อยู่ด้วยความสงบสุขได้แม้ชั่วขณะหนึ่งเพราะหัวใจแตกดีแตกและเพราะหัวใจที่เต็มไปด้วยความพ อ, อ, อกคูนส่งสรรกิเลสประเภทโลกาฏิตลอดเวลานาทีพาให้รบเร้าก่อกวนพาให้ออกเที่ยวชักชนวนก่อกวนประชาชนพุทธบริษัทด้ววิธีการต่างๆ มีเรื่อยอะไรบ้างพาผิดพาสร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชนิดแั้งๆราคาแพงๆบ้านร้อยแปดจนเราตามไม่ทันอุบายของพระจำพวกนี้นะว่า พ, พิสดารเกินคาาแต่ทางให้ความสงบสุขทางใจทั้งตนและพวกอื่นนั้นไม่ยอมสนใจแม้มาอยู่กับครูบาอาจารย์ก็มาอยู่พอเป็นปากเป็นทางพอเป็นพิธีว่าตนมาศึกษากับครูาอาจารย์องค์สาคัญ เวลาออกไปจะได้ประกาศตนอย่างเต็มยศของนักปฏิบัติประเภทชอมโฆษณาอดตัวว่าเก่งพอตัวแล้วจนออกราศมีสีแสงแวพรวาวเพราะไปอยู่ไปลุกสิทธิใกล้ชิดผู้โปรดท่านอาจารย์องค์สาคัญเพิ่งออกมาจากสํานักท่านอย่างสดๆดร้อนๆอนยังไม่ได้ทดลองฝีมือความเปี่ยนข้าสามารถคงตนบ้างเลยเพิ่งฟิตตัวมาใหม่ๆกําลังคันฟันใครอยากให้ทดลองฝีมือรีบเข้ามารักบ้านอบรมให้สมศักดิ์ศรีของวิชาที่เพิ่ง ได้รับประสิทธิประสาทมาใหม่ๆจะได้มรรคได้ผลรวดเร็วสมความปรารถนาที่กระหายมานานไม่แกล้งอวดตัวว่าเก่งแต่วิชาเป็นอย่างนั้นจริงๆดังนี้คนเราที่เป็นลูกชาวพุทธเลือดในืชาวพุทธอยู่แล้วเมื่อเชื่อพระก็จะไปเชื่อใครที่พอจะลงใจได้ก็จำต้องเชื่อพระแต่ไปเจอเอาพระประเภทขัดแทกกระดูกเนื้อหนังครูอาจารย์และประชาชนเข้าก็าลอยล่มจมไปด้วยที่นาสงสารนี่แหละผมไม่ตกเลอเกินว่า เรื่องมันจะเป็นไปทานองนี้แน่นอนเพราะความต่ำมซามแห่งจิตใจของพระปฏิบัติประเภทกาฝากที่คอยทาลายวงคณะและจิตใจพุทธบริษัทให้จิตหายล่มจมไปด้วยไม่มีประมาณเพียงท่านอาจารย์สาวท่านมรณะผ้าผ่านไปไม่กี่ปีเลยคณะลูกศิษย์ของท่านเองก็เป็นตัวบุ่นตัวนอนพากันทําลายใชเองด้วยวิธีการต่างๆผมจึงเชื่อไม่ได้ว่าคณะลูกศิษย์ประเภทกาฝากที่มาอาศัยผม มาเป็นยุคยุครคราวจะทำอย่างนั้นหรือยิ่งกว่านั้นไม่ได้ส่วนพระประเภทเศรษมีครูก็จะอยู่ลำบากและพลอยเสียไปด้วยตามโรควัชชะคือโลกทิดเตียนินทาเพราะวางเกี่ยวเนื่องกันการกระทำด้วยความตำสาทางจิตใจเช่นนี้จะไม่มีวันรู้สึกสนึกตัวได้เลยตลอดวันตายจึงน่าวิต ก, กับท่านผู้ปฏิบัติ ด, ดีซึ่งมีอยู่จนวนมากจะพลอยได้รับความกระทบกระเทืนไปด้วย พระจำพวกประพฤติัวเป็นมูดเป็นคู่เที่ยวชาวทาให้เปรอะเปื้อนและส่งกลิ่นเหม็นคลุงเป็นไปตามๆกันผมเคยพูดเสมอด้วยความวิตกเป็นห่วงวงคณะที่ทําให้วิตกมากก็จำพวกคอยทําลายตัวเองและหมู่คณะให้เสื่อมเสียไปด้วยนั่นแลเพราะพวกนี้ไม่ใช่ผู้จะคอยรับฟังเหตุผลดีชั่วของครูอาจารย์หรือของใครด้วยความสนใจใฝ่ธรรมนเลยแม้จะอยู่กับครูอาจารย์ก็ยังมีการแสดงรวดลายแห่งนิสัยของผู้จะก้าวไป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 เวลาครูอาจารย์ยังมีชีวิตอยู่ก็พยายามซ่อนเล็บเศษเชี่ยวไว้บ้างพอเป็นกิริยาให้โลกวามตาไม่พาพ้นโยนตัวจนเกินไปแต่เวลาครูอาจารย์ตทยจากไปแล้วนั่นแลเป็นโอกาสที่พระจมพ oca ฝากนี้จ ะ, ะแสดงรวดลายของตัวในแง่ต่างๆอย่างเต็มที่มือเพราะไม่มีที่เกรงขามพอให้เกิดความกระดากอายบ้างคนเราเมื่อหมดความสนใจในธรรมสีอย่างเดียวจะไม่ทำความชั่วใดทุกอย่างโดยไม่มีความกระดากอายอะไรทั้งสิน้น จำพวกนี้แลที่จะทำความเสียแก่วงคณะและพระาศาสนาได้มากโดยอาศัยภากาสาวพัดเครื่องบริการของพระธุดงค์กรรมฐานเป็นเครื่องมือหากินและทำลายภในตัวผมกลัวนักกนาก็เป็นประเภทที่ชิงชาและต้านทานยาคือทำเก่งไม่มีจำพวกไหนเก่งเท่าบรรดานักบวชที่หมดที่หมดฮิริโอตปะทำภายในใจผมไม่ชมพระที่ทาตัวไม่น่าชมเชยไม่ตาหนิพระที่ไม่คนตาหนิ และผมชมเชยพระที่ปฏิบัติดีเป็นที่น่ายกย่องชมเชยตำห น, นิพระที่น่าตำห น, นิเพราะพระที่มาปฏิญาณตนว่าเป็นลูกศิษย์ของผมทั้งเก่าและใหม่มีทั้งประเภทชั่วที่น่าตำห น, นิและประเภทดีที่น่าชมเชยสับปนกันมาตามยุคตามสมัยเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ผู้ชั่วก็มีผู้ดีก็มากท่านที่ยังมีความหวังในธรรมเป็นเป็นสมบัติอันพึงได้รับอยู่ ก็ขอนห้มนุ์นคิดให้ถึงใจบรรดาธรรมที่แสดงเหล่านี้ผู้ที่จะสร้างความหมดหวังแก่ตนต่อไปไม่ยอมเห็นทอดก็ไม่ควรอยู่ให้หนักประาศาสนาและครูอาจารย์ตลอดวงคณะจงไปสร้างเสียคนเดียวให้เป็นที่น่าพอใจตายแล้วจะไม่ได้ทราบและสวยผลแห่งกรรมที่ตนรักชอบยิ่งนักนั้นแต่ผู้เดียวไม่มีใครไปแย่งชิงควนใจคงจะสนุกอยู่คนเดียวเพราะวิบากประเภทนี้โลกผู้ดีขยักขยั้งและวาดครัว ก, กันมาก ม, มีใครหารไปแย่งชิงแน่นอนการอบรมสั่งสอนแก่ต้นถึงปัจจุบันจนผมแก่ขนาดนี้ซึ่งไม่นานก็จะตายนับว่าสอนอย่างหมดไส้หมดพุงทั้งภายนอกภายใ น, นไม่มีอะไรเหลือร้ออยู่พอเป็นเชื่อผสมยาได้อีกแล้วใครยังเห็นว่าไม่สมใจก็ควรผลิตขึ้นเองแต่ระวังอย่าให้กลายเป็นยาผิดเผาผลาญตนและวงคณะดังที่เห็นเห็นและได้ยินอยู่เวลานี้ก็แล้วกันผมอนุโมทนาด้วย พอท่านแสดงทาประเภทอสศนีบาทคือฟ้าผ่าจบลงพระที่นั่งฟังอยู่ด้วยกันลหลายองค์เวลานั้นไม่มีองค์ใดกล้ากระดุกกระดิกคายบ้างเลยคงนั่งตัวแข็งเงียบไปตามๆกันพอเห็นอาการของพระกลัวมากและน่าสงสารท่านจึงจเริ่มทาประเภทพรอบโยนขึ้นมาอย่างแผ่วเบาเรากับไม่ใช่องค์เดียวกันเป็นผู้แสดงว่าที่พูดเช่นนั้นก็เพื่อบรราป ร, ปราปรามโรคชนิดร้ายแรงเอาไว้ มิฉะนั้นก็จะลุกลามเข้ามาในวงคณะให้กลายเป็นโรคระบาดสานกระจายไปทั่วทุกคนทุกแห่งคนดีก็จะอยู่ไม่ได้กลายเป็นไฟเผาโลกไปตามกันท่านที่มุ่งมาด้วยความสนใจไถ่ทำก็น่าห็นใจแต่การแสดงคำต่อโลกสมมตินั้นไม่ได้มีห้องเก็บเสียงและแบ่งศาสตร์แบ่งส่วนเฉพาะบุคคล น, นั้นๆจะควรรับฟังหรือไม่ควรเมื่อแสดงออกแล้วจําต้องได้ยินทั่วกันโดยไม่นิยมว่า ใครผิดใครถูกใครดีใครชั่วประการใดแต่ข้อพิสูจน์ตัวเองในขณะฟังก็มีอยู่ว่าตนมีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนหรื อ, อยังคงที่ดีงามอยู่ประการใดบ้างย่อมเป็นเครื่องวัดความผิดถูกไปในตัวทมที่ได้ ย, ยินได้ฟังก็เป็นแสงสว่างช่วยให้มองเห็นทางผิดทางถูกในการปฏิบัติทั้งปัจจุบันและอนาคตได้เป็นอย่างดีสมกับความตั้งใจมาอบรมศึกษาหาความรู้ความฉลาดใสตน เพราะผู้สนใจในธรรมอย่างแท้จริงยังมีอยู่มากแต่ยังไม่เข้าใจวิธีปฏิบัติก็ยังมีถ้ามาได้ยินได้ฟังเพื่อเป็นแนวทางไว้บ้างเห็นใครทำผิดชาติประการใดก็ทำตามโดยขาดความคิดอ่านตใจตองก็อาจมีซึ่งเป็นทางเสียหายได้โดยไม่สังใจว่าจะทำผิดยิ่งไปเจอเอาจําพวกตัวฉลามใหญ่ดังที่กล่าวมาด้วยแล้วก็จะถูกเกลินเอาอย่างง่ายและน่าเสียดายเนื่องจากมีการศึกษาน้อยรู้เท่าไม่ถึงการ หลังจากนั้นท่านก็พูดคุยธรรมดาราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นพระทั้งหลายจึงพอมีลมหายใจขึ้นมาบ้างไม่เหมือนถูกขังดัดดันในตุ่มที่ปิดฝาไว้อย่างมิดไม่มีลมพอหายใจและถูกเผาด้วยสปาธรมเมื่อครู่ก่อนนั้นพอได้เวลาต่างกราบท่านลงมาและต่างองค์ต่างแสดงความยิ้มแย้ต่อกันตามระษาของนักโทษที่ถูกปล่อยตัวและแอบสนทนากันที่สภาโนยงเล็บที่รับหลัง ตามเคยบางองค์ท่านจะโมโหอยู่บ้างรอยโคลงออกันทันทีว่าท่านอุตรีไปพูดขึ้นทําไมคําอื่นเรื่องอื่นที่ควรพูดกว่านั้นไม่มีบ้างหรือเห็นไมล่ล่ะเป็นอย่างไรบ้างมีพูดสรุปบ้างหรือเปล่าเมื่อกี้นี้โดนจังๆเขาแบบนั้นทําไมไม่ถามล่ามพูดเคยแปลเขาบ้างละ่ะองเล็กท่านที่เคยรู้นิสัยท่านดีอวดดีเมื่อเจอของดีเข้าแล้วเข็ดบ้างไหม ถยังไม่พอวันหลังหาเรื่องไปเรียนท่านใหม่เลือกเอาที่จังๆปว่าวันนี้นะผมนะมันคืนแน่วันหลังปล่อยให้คนดีคนเก่งรับสบองใหญ่คนเดียวก็ผมไม่นึกว่าท่านจะใช้ไม้ตายแบบนี้นี่นาะจึงได้เรียนแบบซื่อๆเสยๆ อ, อ, อ, อย่างนี้องค์ที่ถูกลุมให้เหตุผลใครว่าท่านดุดาผู้นั้นก็ไม่เห็นความผิดของตนสินะผมยังอยากให้ท่านลงหนักยิ่งวันนี้อีก วันนี้จิตผมมอบราดเลยแล้วกับคนตายแล้วสมนลำหน้าจิตตัวขนองวิ่งครอบโรกเหลือเกินวันนี้ผมภาวนาคนเดียวจิตมันดือ้อกระโดดโลดเต้นไม่ยอดสงบเอาเลยเหมือนจับฟิ้งั้งฝูงเข้าโกรงนั่นแหละแต่วันนี้พอโดนทำท่านหนักๆเข้าจิตไม่มีทางออกเพราะถูกท่านตีต้อนโดยธรรมเลยหมอบสงบลงได้อย่างง่ายดายแหมดีจริงวันนี้ผมขออนโมทนาด้วยท่านที่หารอาราธนาท่านแบบนี้ วันหลังจะมีใครได้เรื่องแปลกๆและเผ็ดๆุนร้อนไปเล่าถวายท่านอีกเผื่อลิงนงเียกิตผมจะได้อยู่สงบสุขบ้างขณะท่านสาบเพกอย่างแรงวันนี้ดีเหลือเกินนับแต่ฟังเทศทันมาก็มีวันนี้เป็นวันสำคัญสำหรับผมอีกองค์หนึ่งพูดขึ้นด้วยความพอใจบรรดาพระทั้งที่นั่งฟังอยู่บนคิบกุดีท่านทั้งที่แตกตื่นแตกตื่นกันมาแอบฟังอยู่ตามข้างๆ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 โดยนึกอวดตัวอยู่ภายในว่าตนไม่ได้มาปฏิบัติเพื่อเป็นหมาแต่ปฏิบัติเพื่อเป็นพระอย่างสมบูรณ์แบบต่างหากและไม่ได้มาปฏิบัติเพื่อแย่งอาทิท่านแต่อย่างใดปฏิบัติเพื่อทำคือมรรคผลนิพพานต่างหากนับแต่วันที่ตนได้กลายเป็นหมาอย่างเงียบไม่มีใครทราบแม้ตนเองก็ไม่ทราบว่าได้เป็นหมารับรับอย่างสมบูรณ์นับแต่ขณะแรกฟังท่านแล้วเป็นความมั่นใจและปากใจตัวเองว่า เราไม่ใช่มาอยู่และปฏิบัติกับท่านแบบหมานี่นาต้องขออภัยท่านผู้อ่านมากๆที่เรียนตามความโง่จนเกินไปน่าจะไม่มีอะไรเลยเป็นความดีงามสำหรับผู้เขียนจึงได้นำความโง่มาประกาศกรุณาฝืนใจอา่านด้วยความสงสารก็มีอย่างนี้จริงๆดังนั้นเวลาท่านมรณาภาพและถวายเพลิงเสร็จจวนถึงพันแจกอธิและบริขารท่านไว้เป็นที่ระลึกบูชาจึงรีบโดยเข้าป่าเข้าเขาไปเงียบ ด้วยความคิดเห็นที่เข้าใจว่าตนฉลาดจะถืนอยู่ที่นั่นต่อไปจนถึงวันแจกจะต้องได้รับแจกบริหารชิ้นต่างๆและอธิษฐานแน่นอนแล้วก็จะไม่พ้นความเป็นหมาดังท่านว่าสุดท้ายหมาตัวฉลาดเกินโลกก็เพ่นเข้าป่าเข้าเขาจริงๆเมื่อยอมอยู่เพื่อรับแจกสิ่งใดของท่านทั้งสิน้นนี่แหละคือความโง่ของคนที่เข้าใจว่าตนฉลาดขนาดเป็นหมาไปแล้วเพราะความคิดโง่นั้นยังเข้าใจว่าตนเป็นพระอยู่อย่างเย็นใจ และยังกลัวว่าตนจะเป็นหมาอยู่ร่ำไปน่าสลดสังเวชใจในความโง่แบบอัศจรรย์ตอนนี้ธรรมเทศนาของท่านการน้แลที่ทำให้ผู้เขียนเป็นหมาไปได้อย่างแนบเนียนโดยไม่สำนึกตัวไม่แต่นิดยังคืนอวดดีกลัวว่าตนจะเป็นหมาอยู่ได้จนท่านมรณะภาพผ่านไปร่วมปีจึงมาละลึกทษได้ว่าได้คิดผิดอย่างขนดัดเกินกว่าจะได้รับอภัยโทษ โ, ท โ, ทโทปรดปราณจากท่าน สายเหตุที่ระลึกโทษได้ไม่สายจนเกินไปนักถึงกับโยมาบาลคัดออกจากบัญชีประเภทนรกแตกก็เพราะความหนระลึกถึงพระคุณท่านในแง่ต่างๆแล้วเล่าตลอดเวลาประจำอิริยาบถเรื่อยมาจึงมาสะดุดใจจนสะดุ้งว่าโอ้โหพุทธบริษัทที่เคารพพระ เ, เจ้าพระทำรรพระสงค์แม้พระพุทธรูปปฏิมากรรมพระบริขารและสถานที่เคยประทับพระทำที่จารึกลงในคมพี ใบลานและวัตถุต่างๆตลอดทสงน์ที่เป็นรูปแทนองค์และชื่อเสียงเรียงนามของความปฏิบัติตลอดการคำจัดกิเลส ข, ของท่านยังเป็นความเคารพอันดีงามและเป็นเนติแบบฉบับอันยอดเยี่ยมเพื่อพวกเราชาวพุทธสุดท้ายภายหลังได้ยึดเป็นคติอันดีหาที่ตัิก์มิได้ตลอดมาเหตุไห น, นเราจะรับบริคัรและอธิท่านอาจารย์มั่นซึ่งเป็นอาจารย์ที่เราเคารพรักสุดหัวใจจนสามารถยอมสละทุกสิ่งทุกอย่างแทนท่านได้ โดยไม่อาลัยเสียดายไว้สักการบูชาเทิทูนแทนองค์ท่านเหมือนบรรดาศิษย์ทั้งหลายทำกันทำไมกลัวเป็นหมาโอ้โหม่ใช่เรากลายเป็นหมาในร่างของพระผู้อดดีไปแล้วเพราะความโง่เขลาทำลายแต่ขณะแรกของเทิททานวันนั้นแล้วละเลยแล้วกันตัวดีตัวฉลาดแหลมหลักแต่ไม่รู้จักว่าอะไรให้เป็นหมาหรือเป็นพระเป็นคนเธอตัวฉลาดมาโดนตาแหน่งหมาเข้าเสียแล้ว เป็นเพียงไม่มีหางเหมือนหมาทั่วไปเท่า น, นั้นเองมาสรดสองเวทตนที่ไม่มีอะไรให้อภัยได้เพราะสายไปเสียแล้วท่านอาจารย์มั่นผู้เคยเมตตาตัวเราจะเป็นหมาต่อหน้าท่านก้อนนิพพานไปเสียแล้วเพราะท่านสอนแล้วไม่ยอมรับแต่กลับเห็นผิดคิดแหวกไปเป็นหมาทั้งที่ท่านวาถวะท่ามไว้ไม่ยอมฟังตายจริงคราวนี้อั น, อนจาวจะสร้างฆาราสังขารช่างหลอกพระให้เป็นหมาได้ต่อหน้าต่อตา อุปาดาวญาธรรมิโนขณะ น, นี้เรากำลังเกิดเป็นหมาในร่างพระอุปัาชิตวานิรุชันติเกิดเป็นหมาแล้วจะด่าวความเป็นหมาของตนด้วยอุบายยิทีใดเล่ารีบคิดหาทางดับอย่านอนใจเรากับตนเป็นพระทั้งที่กําลังเป็นหมาอยู่ขณะนี้เตสังอุปสโมสุโคการระงับดับความคิดทั้งปวงที่พาให้เป็นหมาเสียได้หมาในตัวเราก็ระงับไปใจเป็นสุข หมดเรื่องไปเองพอระลึกโทษได้ก็กราบขอมาโทษท่านอย่างถึงใจแล้วเรียกจะขออจิท่านที่เชิญไว้สักรรบูชาเป็นส่วนรวมในหน้าเทศกาลจนกว่าพระอุโบสถจะสร้างเสร็จแล้วเชิญท่านไปบรรจุไว้ใต้ฐานรพระประธานในพระอุโบสถวสุทาวาจังหวัดสกลนครกับท่านพระครูอุดมธรรมคุณหนุ่งเล็กพระอาจารย์มหาทองุขสุจิตโต จเจ้าวาดประสุทาวาสท่านเองก็อนุเคราะห์ด้วยความเต็มใจและเมตตาพระที่แสนโ ง, ง่แม้ได้อธิท่านมาอย่างสนใจแล้วก็ทําให้มีอะไรอะไรสะกิดใจอยู่เสมอมาแล้วกับวิบากแห่งมานั้นยังติดตัวแก้ไม่ตกเฉพาะอธิเวลาได้มาแล้วก็คอยวันคอยคืนอยากให้อธิท่านกลายเป็นพระธาตุในขณะเดียวกันก็มีอะไรสะกิดใจอยู่เสมอมาว่าอธิท่านไม่มีวันกลายเป็นพระธาตุ ถ้ายังอยู่ในกรรมสิทธิ์ของเราที่เคยประมาทท่านด้วยความคิดโง้อของตนถ้าท่านจากเราไปมีทางกลาเป็นพระทาตได้อย่างไม่มีปัญหาเป็นที่น่าราและอศัศจรรย์ส่วนคาดพอแจกให้ท่านผู้อื่นไปสักการบูชาอาทิท่านได้กลายเป็นพระทาตไปอย่างรวดเร็วผิดธรรมดาที่อยู่กับคนบาปหนาะปัญญาทําลายตนอย่างมากมายจนไม่น่าเชื่อแต่เรื่องก็เป็นอย่างนั้นจริงๆกรรมตอนนี้ยังไม่หมดสิ้นไปง่าย แม้ท่านมาอยู่กับเราก็คอยแต่จับพลาดจากไปทั้งที่เคารพรักท่านมากมายสุดหัวใจจนกลายเป็นสภาพเดิมคืออยู่แต่ตัวเปล่ารอกระกับมาตัวเดิมแล้วเหมาะกับภูมิของตนโดยแท้ทุกวันนี้เมื่อพยายามส่อแสวงอธิหรือพระทาตท่านจนหมดหวังไม่มีทางได้ท่านมาสักการบูชาแล้วเลยทำไมเฉยอยู่ได้เหมือนคนสบายหมดหวังทั้งที่ใจก็ยังกระวนกระวายอยากได้ท่านอยู่นั่นเอง จึงได้เชื่อนตนว่าคราวนี้เชื่อหรือยัง ร, รมที่เห็นกับตาตัวเองอย่างประจักษ์ไม่จําต้องถามใครอีกแล้วอันเป็นคําสอนแกมประชดเพื่อได้สติบ้างต่อไปจะได้คิดหลายแง่หลายกระทนไม่อวดดีอวดเก่งด้วยความคิดเพียงหน้าเดียวไม่ทบทวนช่อมซากให้ได้หลายสันพันคมมาใช้อันเป็นอุบายของท่านผู้ชลาที่เคยปฏิบัติกันมานับแต่บรดนั้นมาแม้จะยอมเห็นโทษของตนแล้วเพียงไร แต่เรื่องอธิท่านขับเราคงยังมีอะไรกันอยู่ภายในใจนั่นเองไม่ยอมรบเพลินและหายไปเหมือนสิ่งดีชั่วธรรมดาทั้งหลายที่ท่านว่ามโนกรรมนั้นแต่ก่อนก็เชื่อว่ามีผลเช่นเดียวกับกรรมอื่นๆที่ทําด้วยทวานทั้งหลายแต่ไม่สะดุดใจมากเหมืนข่าวนี้พออธิท่านอาจารย์มั่นกระจักกับตัวแล้วทําให้หายสงสัยในคําต่างๆโดยซึ่งเชื่อว่ากรรมให้ผลนั้นให้ผลอย่างไร ผู้ทำกรรมที่ไม่หลงลืมในกรรมที่ทำของตนย่อมทราบด้วยตัวเองนอกจากไม่กล้าพูดให้ผู้ฟังเท่านั้นที่ท่านอาจารย์มั่นเทศวันนั้นก็เป็นไปด้วยเจตนาเมตตาสงเคราะห์อย่างหาที่เกรียดนีไ้ได้ท่านช่วยปิดขั้นทางไหลมาแห่งความลามกทั้งหลายกลัวจะไหลบามมายัางแปดเปื้อนของที่ยังดีใช้การได้ให้เสียไปด้วยท่านช่วยกิดกั้นอย่างเป็นกําลังความสามารถเพราะการนําอธิของครูอาจารย์ไปจำหน่ายขายกิน เป็นความลามมกสมมอมอย่างยิ่งสำหรับพระกรรมฐานที่เคยได้รับการอบรมมาด้วยดีพอทราบบุญบาปได้เท่าที่ควรแล้วไม่น่าจะทำอย่างนั้นท่านจึงเพียบการกระทำนั้นเหมือนการกระทำของสุนัขเพราะเป็นการกัดการแทะแบบศัตว์ที่ในรูปบาปุญคุณโทษอันเป็นพรมและขนบธรรมเนียมของมนุษย์ปฏิบัติกันมาเมื่อเราไม่ทาแบบกัดแบบแทะเหมือนหมาก็จะเป็นหมาไปไม่ได้อยู่เอง เฉพาะคนไม่พอดีจึงปรับคิดเลยเถิดไปตามนิสัยโดยกลัวการนําอธิท่านไปเคารพบูชาจะไม่พ้นความเป็นหมาสุดท้ายก็เป็นหมาเพราะความโง่ของตนจนได้ท่านผู้อ่านผู้ฟังทั้งหลายการุณาอย่ายึดกวามปิดความเห็นหน้าเดียวไปเป็นทางดําเนินจะกลายเป็นผู้ในรอบครอบและผิดพลาดไปอีกหลายคนความคิดที่ได้รับการทดลองไข่ครวนอยู่อย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้ว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 ทุกวัตทุกตอนบรรดาธรรมในวงศาสนาที่ประกาศสอนไว้การที่ผู้นับถือพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้ า, าพระองค์เดียวกันแต่มีการปฏิบัติเป็นไปในรูปลักษณะต่างกันโดยแอ บ, บอิงศาสนาเป็นที่รองรับความถูกต้องจนบางแขนงลงกันไม่ได้ทั้งนี้ก็น่าคิดอยู่บ้างสาหรับชาวพุทธผู้ตริญหนักในเหตุผลตามหลักธรมรธมเพื่อการกระทําจะไม่เป็นรุ่มรุมรรดอนดอน จะคงเกิกับหลักศาสนาธรรมอันเป็นองค์ของาศาสนาแท้ทั้งเหตุและผลจะไม่ขัดแย้งกันดังที่มักมีอยู่เสมอในวงพุทธบริษัทอันเดียวกันหากใช้ความไข้ครวนตามส่วนใหญ่ส่วนย่อยของศาสนาบ้างแม้จะผิดแทรกแตกต่างกันบ้างตามแขนงต่างแห่งธรรมและจริตทิ้งใสก็คงไม่มากมายจนน่ารำคาญนักดังที่ปรากฏอยู่ซึ่งแทบพูดได้ว่าเป็นยาประจําบ้านแห่งสงครามคารมชาวพุทธ ที่ศาสตร์นาำสงกรานใส่กันโดยไม่เลือกการสถานที่ควรหรือไม่ประการใดแม้เจตนาจะบริสุทธิ์ต่อาศาสนาด้วยกันทั้งสองฝ่ายแต่เขาพอทราบความบกพร่องของชาติพุทธเราที่ต่างปฏิบัติไปตามความคิดเห็นมากกว่าความหนักแน่นในหลักธรรมอันเป็นเกณฑทิศทางดําเนินการขบฉันของพระสุโถกรรมฐานที่เขียนผ่านมาได้กล่าวถึงบาทและขนาดของบาทพระธรรมฐานซึ่งถือเป็นบริการจําเป็นทั้งยามปกติ ในเวลาออกเที่ยววิเวกเพื่อบำเพ็ญสมณธรรมยามปกติถ้ายัางฉันอยู่ท่านจำต้องออกบิณฑบาตเป็นกิจวัตรทุกวันและฉันได้บาตเป็นประจำเวลาออกเที่ยวกรรมฐานก็อาศัยบาตเป็นภาชนะสำหรับใส่บริการต่างๆเช่นเดียวกับคารวาสถือกระเป๋าเป็นเพื่อนเดินทางการฉันจังหันของพระกรรมฐานท่านฉันสำรวมดังกล่าวแล้วเวลาไปบิณฑบาตกลับมาถึงที่พักหรือวัดแล้วก่อนฉันถ้ามีหลายองค์กันเช่น อ, อยู่ในสำนัก หรือออกเที่ยวเดินทันหลายองค์ในบางครั้งที่ท่านเคยปฏิบัติมาเมื่อได้อาหารมามากน้อยจากบินธบาตต่างนําอาหารต่างๆออกจากบาตมาแก้รวมกันแล้วแจกจ่ายใส่บาตให้งชั่วถึงกันเสร็จแล้วถ้ามีญาติโยมตามออกมาแม้แต่คนหนึ่งขึ้นไปท่านอนโมทนายาถาสพีก่อนแล้วค่อยลงมือฉันแต่โดยมากเมื่อทาอนโมทนาอยู่ในบ้านเสร็จแล้วค่อยออกมาโดยญาติโยมทําด้านเล็กๆไว้ในบ้านแห่งหนึ่งหรือสองแห่ง เพื่อท่านนั่งอัุโมทนาเสร็จแล้วค่อยออกมาญาติโยมจึงไม่ค่อยตามมามีอะไรเขาก็เตรียมใส่บาตรให้พร้อมเสร็จเมื่อจัดอาหารสัส ญ, ญาบาตรเสร็จแล้วท่านเริ่มทำความสงบอารมรณ์พิจารนาปัจ เ, เวคขณะปฏิสั่งค่ายโยนิโซในอาหารชนิดต่างๆที่รวมในบาตรโดยทางอนิจจังทุขังอนัตตาบ้างทางปฏิปุณสัญญาบ้างทางธาตุบ้าง ตามแต่ความถนัดของแต่ละท่านจะพิจารณาแยกคายในทางใดอย่างน้อยประมาณหนึ่งนาทีขึ้นไปแล้วค่อยเริ่มลงมือฉันด้วยค่าสำรวมและมีสติประจำตัวในการขบฉันไม่พูดสนทนาเรื่องใดในเวลานั้นนอกจากความจำเป็นจะต้องพูดก็ทำความรู้สึกตัวไว้แล้วค่อยพูดตามความจำเป็นแล้วหยุดก่อนจะพูดก็รอให้อาหารหมดในมุขทวารก่อน ค่อยพูดออกมาอย่างชัดถ้อยชัดคําไม่ให้มีเสียงตัวริยะอันเป็นการผิดมรญญา่าของการพูดในเวลานั้นขณะพูดก็ตั้งใจทําหน้าที่ในการพูดจนจบก่อนแล้วค่อยลงมือฉันต่อไปด้วยทางสํารวมตามปกติมีสติระวังการบวเคี้ยวอาหารประชุปรยะไม่ให้มีเสียงดังกรอบแกรก ม, มูมามซึ่งเสียมัญญา่าในการฉันได้เป็นลักษณะของความเผลอเรอและตะกะตะวามตามองลงในบาท ทำความสําคัญอยู่ในบาตด้วยความมีสติไหวเอมองสิ่งนั้นสิ่งนี้ในเวลาฉันอันเป็นลักษณะของความดึมตัวขาสติขณะฉันก็พิจารณาไปด้วยตามความถนัดในแง่แห่งธรรมโดยถืออาหารที่กําลังฉันเป็นอารมณ์บ้างถือธรรมที่เคยพิจารณาประจํานิสัยเป็นอารมณ์บ้างแต่โดยมากท่านมักพิจารณาอาหารที่กําลังฉันมากกว่าธรรมอื่นๆในเวลานั้นการฉันในท่าสัมรวม ด้วยความมีสติพิจารณาด้วยปัญญาเมื่อเกิดอบายแปลกๆขึ้นมาในเวลาฉันเสมอบางครั้งถึงกับเกิดความสลดใจขึ้นมาในเวลาฉันก็มีจนต้องหยุดฉันไปพักหนึ่งหรือหยุดเลยก็มีเพราะรถแห่งฉันที่เกิดขึ้นในเวลานั้นมีความสําคัญเกินกว่าที่จะโมเพลินในรถแห่งอาหารที่กําลังฉันอยู่มากมายการหยิบอาหารใส่มุขทวาลก็มีสติประจำไปทุกประยะเช่นเดียวกับการทางความเพีลในท่าอื่นๆ พราะการขบฉันก็เป็นกิจวัตรของพระข้อหนึ่งไม่ด้อยกว่ากิจวัตรอื่นๆอันเป็นเครื่องทอดถอนกิเลสภายในได้เสมอการทำไมประมาทเพลิดเพลินไปกับรถอาหารเสียจนลืมตัวการขบฉันจะกลายเป็นเรื่องโล่งๆไปไม่เป็นกิจวัตรประจำองค์พระผู้หวังเห็นภายในทุกสิ่งที่อยู่ในความสามารถอารู้เห็นในสถานที่และอิริยาบถทั้งปวงดังนั้นการขบฉัน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 ประเพณีของพระกรรมฐานมีความเคารพในหัวหน้ามากถ้าหัวหน้ายังไม่ลงมือฉันท่านก็ยังต้องรอจนกว่าหัวหน้าลงมือฉันไปบ้างแล้วพระอันดับจึงจะเริ่มลงมือฉันกันต่อไปถ้าครูอาจารย์ผู้ใหญ่ไม่อยู่ก็เคารพองค์ที่รองลงมาโดยมากสำ น, นักกรรมฐานท่านปฏิบัติอย่างนี้เรื่อยมาจนทุกวันนี้ยังไม่ปรากฏว่ามีการเปลี่ยนแปลงแต่ต่อไปข้างหน้าก็น่าสงสยัยเพราะ โลกมีการเปลี่ยนแปลงและนวัตเจริญพระธรรมฐานอาจเปลี่ยนแปลงและเจริญรอยไปตามโลกก็เป็นได้เพราะคําว่าความเจริญเคยใคร่ข้ต้องการพระเนนก็เป็นคนมีหัวใจเ ช, ช่นเดียวกับโลกจะไม่ให้ต้องการความเจริญกับเขาก็น่าพิสงสงสัยสําหรับท่านที่แก่ชรามากและพอเป็นรัตตันอยู่ในทางโลกและทางธรรมาภิสังข์แล้วอะไรจะเจริญหรือเสื่อมท่านคงไม่มีความสามารถอาจรู้อะไรกับเขาได้ คงเป็นขัวตาเฝ้าวัดอยู่เพียงรอลมหายใจถึงวันอวสานแห่งขันไปเป็นวันวันเท่านั้นเองผู้เขียนนี้ก็ไปอีกแง่หนึ่งได้แต่เขียนไปแบบหลงตาโดยไม่สา น, นึกว่าท่านผู้ใดจะสนใจหรือไม่เพียงไรมีแต่เขียนร่ําไปแบบหลับหูหลับตาอย่างนั้นเองกรุณาอย่าถือสาตอนใดประโยคใดไม่เป็นสาระพอจะสละเวลาอ่านได้กรุณาผ่านไปส ง, งวนเวลาไว้ทําประโยชน์อย่างอื่นที่มีคุณค่าสาระกว่า ก็นับว่าเป็นผู้รู้จักคุณค่าของเวลาเฉพาะท่านอาจารย์มั่นก่อนฉันท่านพิจารณาอยู่นานเรากับทำภาวนานั่นแลบางวันตอนเย็นเย็นหรือกลางคืนโอกาสดีท่านยังเมตตาเล่าเรื่องการพจารณาปฏิเวกขณะในเวลาฉันให้พวกเราฟังว่าธรรมมักปรากฏขึ้นในเวลาฉันเสมอบางครั้งเกิดอุบายฉาญขึ้นมาทําให้ติดตามคิดอยู่หลายวันก็มี บางครั้งเกิดความปฏิกูลเบื่อหน่ายขึ้นมาจากอาหารในบาทถึงกับจิตเกิดความเบื่อหน่ายในอาหารจะไม่ยอมฉันก็มีตอนนั้นเป็นสมัยที่ท่านกําลังปฏิบัติอย่างเข้มงวดโกดขันเอาทิ้งเอาจังเมื่อเกิดความรู้ที่กระเทือนทำขึ้นมาต้องใช้อุบายปราปร า, ปรามแก้ไขกิเลสประเภทเบื่อตัวเองจึงเล็บอาหารกันอย่างหนักหน่วงจึงยอมรับและลงสู่สภาพความจริงคือสายกลางได้มิฉะนั้นจิตจะไม่ยอมฉั้นเอาเลย โดยเห็นอาหารในบาทเป็นอะไรเป็นหมดการบังคับให้ฉันในเวลานั้นจึงเป็นเหมือนคนที่ถูกบังคับให้เข้าไปชมความสวยงามของคนตายในป่าชาฉันนั้นต้องพิจารณาแก้ไขกิเลสประเภทบางเงาซึ่งมิเคยปรากฏมาก่อนอย่างเอาจริงเช่นเดียวกับพิจารณาความงามให้เป็นของปฏิคุณนั่นเองจิตจึงวงสู่สภาพเดิมได้และฉันได้อย่างธรรมดาต่อไปจากนั้นต้องใช้อุบายหลายด้านประสานกันไป คือทั้งให้รู้ทั้งให้หลอบตัวทั้งให้กลัวทั้งให้กล้าสลับสับปนกันไปแต่ที่จิตแสดงความรู้ในลักษณะนั้นขึ้นมาก็ดีอย่างหนึ่งทําให้สติปัญญาความแยกคายพลังใช้ได้หลายสันหลายคมทันกับคนมารยาของกิเลส ต, ตัวแสนปิ้งก้อนหลอกลวงได้ดียิ่งจิตมีนิสัยผ่าผลโลเป็นอยแล้วจะพิจารณาไปธรรมดาไม่ได้ต้องกระเจอเอากิเลสประเภทสูงรอยเข้าจนได้ฉะนั้นจึงกล้าพูดอยู่เสมอว่า สติปัญญาเป็นอาวุธสาคัญในวงาการพิจารณาธรรมทั้งหลายทั้งหยากละเอียดมีสติปัญญาเป็นเครื่องมืออย่างเอกไม่ยอมแพ้อะไรเอาง่ายๆดังเราพิจารณาอาหารในบาศให้เป็นของปฏิคูลเพื่อตัดความพวงหลงรดให้ปรากฏศัพท์ว่าธาตุหรือธทำเพียงอาศัยกันไปวันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้นแต่เวลาปรากฏขึ้นมาในกิจขณะพิจารณาเลยกลับเป็นของหน้าเบื่อหน่ายจนเกิดความขยะแขยง ถึงกับจะเฟื่องันต่อไปไม่ได้ราวกับสิ่งนั้นนั้นไม่เคยเป็นเครื่องหลอเลี้ยงชีวิตธาตุขันมาก่อนเลยความเบื่อชนิดนี้เป็นโลการวัดแบบโลกเบื่อกันทั่วไปเป็นความเบื่อแฝงธรรมนี่ไม่ใช่มัชชิมาที่ท่านพาดําเนินท่านว่าความเบื่อชนิดนี้แหลที่ทําให้พระบางองค์ในครั้งพุทธการเบื่อตัวเองถึงกับจ้างเขามาฆ่าตัวให้ตายซึ่งเป็นการเบื่อผิดทาง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 พอพิจารณารู้เท่าทาันความเบื่อชนิดนั้นก็สงบตัวลงไปเกิดความเห็นจริงชนิดหนึ่งขึ้นมาแทนที่จึงไดยึดธทำนั่นเป็นหลักและยิดความเบื่อนี้เป็นบทเรียนได้ตลอดมาไม่ว่าจะพิจารณาภายในหรือภายนอกกว้างแคบหยาบละเอียดเพียงไรต้องมีทั้งไม้เป็นไม้ตายทั้งไม้รับไม้ต่อยคือพิจารณาทบทวนก้าวหน้าถอยหลังเพื่อความละเอียดรอบครอบในงานของตนแต่บักนี้เป็นต้นมา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 คือหาความโง่ก็ได้แต่ความโง่หาความฉลาดก็ได้แต่ก็ได้ความฉลาดหาความโลภก็ได้แต่ความโลภหาความโกรธก็ได้แต่ความโกรธเต็มหัวใจหาชั่วก็ได้ชั่วหาดีก็ได้ดีหรือหาบาปก็ได้แต่บาปหาบุญก็ได้แต่บุญหานรกก็ได้แต่นรกความแผลเท้าตัวเองหาสวรรค์ก็ได้สวรรค์แม้หานิพ v a n ก็พ้นความพยายามแสวงหาไปไม่ได้ไม่ผิดจากต้นเหตุ คือการหาการทำเพราะมีผู้เคยหาผู้เคยเจอผลจากเหยดแห่งการหาการการะทำนั้นมาแล้วก่อนพวกเราเป็นเวลานานแสนนานมาตั้งแต่ตั้งแผ่นดินเป็นสัตว์เป็นมนุษย์ส ม, มุติบัญญัติมาจะมามัวเก่าหมัดปฏิเสธดีชั่วสุขทุกข์อันเป็นการปิดทางเดินของตัวให้โง่และเสียเวลาไปเปล่าทำไมกันถ้าว่ามนุษย์เป็นผู้ฉัานกว่าสัตว์จริงดังคําเสกสรรตัวเองคํานั้นก็ไร้ความหมายอย่างเต็มตัว เกิดมาตายเปล่าๆเพราะความโง่เง่าฆ่าตัวราบกบขุยไม่ไผ่นั่นและใครจะคิดก็รีบคิดอย่ามาโมนั่งอมลิงอมฟันฟังและยืนเดินนั่งนอนสั่งสมความโง่อยู่เปล่าๆบทเวลาตายแล้วจะเสียการทั้งเสียข้าวสุก ข, ข้าวสารอาหารหวานข้าวเครื่องหนึ่งห่มใช้สอยของชาวบ้านที่บริจาคให้ทานหวังบุญเพื่ออุดหนุนกำลังผู้บวช ด, ด้วยศรัทธาวังเทิดทูลและตั้งใจละกิเลสทั้งหลายให้ขาดจากใจ แต่ครั้นแล้วแม้สติปัญญาเพียงเท่ า, มาเมล็ดงาลึกอขาอยุงพอจะมาฆ่ากิเลสแม้ตัวหนึ่งให้ตายก็ไม่มีในใจแล้วกิเลสจะตายไปด้วยเหตุผลคนไข้อันใดเล่าเมื่อสติปัญญาและความภาคเพียรยังเป็นอยู่แค่นี้ผมรู้สึกจะหมดสติปัญญาแทนท่านทั้งหลายแล้วเวลานี้ดังนี้บทสุดท้ายท่านคงราคาญจึงตีเอาตีเอาใชบ้างพอไม่เสียโรดลายของอาชาในผู้เปลงกลในวงศาสนาแห่งยุคปัจจุบัน การพิจารณาด้วยสติปัญญาอยู่โดยสม่ำเสมอแม้ขณะขบฉันหรอรับประทานกระแสะแห่งธรรมเครื่องส่องสว่างยังมีทางเกิดใต้ไม่เหลิกการดังท่านอาจารย์มั่นเมตตาเล่าให้ฟังทั้งเรื่องผิดและเรื่องถูกนะว่าเป็นเครื่องเสริมสติปัญญาสำหรับท่านที่สนใจได้ดีเครื่องเกิดความเบื่อหน่ายในอาหารขณะพิจารณาก่อนลงมือรับประทานแม้อุบาสิกาที่นุ่งขาวข่มขาวก็เป็นเหมือนท่านอยู่บ้าน ในวงพระปฏิบัติก็มีบางรายเป็นในลักษณะเดียวกันกันกบท่านแต่จะขอผ่านไปจะนำมาลงบ้างเป็นบางสอนเฉพาะผู้หญิงนุ่งขาวคือสมัยท่านพักอยู่วัดน้องถือสกลนคร